3. อธิกรณะมูลาทิว่าด้วยมูลเหตุอธิกรเป็นต้น3 3 4อสถามอธิกรสมีมูลเหตุเท่าไรมีสมุดฐานเท่าไรตอบอธิกรสมีมูลเหตุ33มีสมุดฐาน33บถามอธิกรสมีมูลเหตุ33สอย่างไรตอบ วิว า, าทิกรมีมูลเหตุสบสองอนุวาาทิกรมีมูลเหตุสบสี่อปัตาทิกรมีมูลเหตุหกกิจจาทิกรมีมูลเหตุเดียวคือสงรวมอธิกรสี่มีมูลเหตุสามสิบสามนี้ถามอธิกรสี่มีสมุทฐานสาสบสาอย่างไรตอบวิวาาทิกร มีเรื่องทําความแตกกันสิบแปดเรื่องเป็นสมุดฐานอนุวาธาธิกรมีวิบัต 4, สีตต่เป็นสมุดฐานอาปัตตาธิกรมีอาบัตเจ็ดกองเป็นสมุดฐานกิจจาธิกรมีกรรมสี่เป็นสมุดฐานรวมอธิกรสี่มีสมุดฐานสามสิบสามนี้